บทที่สองหลวงตาเฟื่องเมื่อพระเจริญกลับมาถึงกุฏิของท่านก็พบภิกษุรูปหนึ่งนั่งรออยู่ที่ชั้นล่าง สามันสำนึกบอกทันทีว่าต้องเป็นหลวงตาเฟื่องแน่นอนเพราะดูหน้าตาแล้วคงจะอายุประมาณ60เสเศษเดินเข้ามานั่งยังอาัศานะแล้วจึงถามขึ้นก่อนว่าท่านคือหลวงตาเฟื่องใช่ไหมครับครับและท่านคือพระเจริญจากวัดพรมบุรีที่จะมารักษาการเจ้าอาวาสวัดนี้ใช่หรือเปล่าเมื่อท่านตอบว่าใช่หลวงตาเฟื่องจึงคุกเข่าแล้วกราบท่านสามครั้งอย่างไม่เต็มใจนัก เหตุเพราะถูกทิฐิพระยุยงว่าเด็กเมื่อวันซืนที่ถูกส่งให้มาปกครองเราภิกษุหนุ่มยกมือขึ้นรับไหวภิกษุผู้ถือตนก็สูงวัยกว่าสังเกตเห็นทิฐิที่ฉายออกมาทางแววของอีกฝ่าย mm. ก็คิดว่าจะต้องกำจัดทิฐิพระของหลวงตาเฟื่องกับหลวงตาอ้อนออกไปให้ได้มิฉนั้นก็จะไม่สามารถพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองดังที่ได้ตั้งปณิธานเอาไว้ การจะพัฒนาวัดต้องพัฒนาที่คนก่อนและการพัฒนาคนก็ต้องพัฒนาที่ใจของเขาพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ชัดเจนว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาทำทั้งหลายมีใจนำหน้ามีใจเป็นใหญ่สําเร็จด้วยใจใครจะสร้างสรรสิ่งดีงามหรือจะก่อกรรมทําเข็ยนก็มีใจอยู่เป็นจุดเริ่มต้นฉะนั้น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 ครั้นจะพูดความจริงว่าเมียไล่ให้มาบวชก็เกรงจะอับอายขายหน้านี่ถ้าสังขารไม่เสื่อมมีหรือจะยอมให้เมียมาบงการชีวิตหรือครับเห็นทายกบอกว่าท่านเคยเป็นตำรวจมา ก, ก่อนครับผมเป็นจ่าสิบตำรวจน้ำเสียงบ่งบอกความภาคภูมิคิดว่าอย่างไรเสียก็คงดีกว่าพระหนุ่มซึ่งดูหน้าท่าทางแล้วคงจะจบไม่เกินป .4 พระเจริญดูเหมือนจะรู้ความในใจของคู่สนทนา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 แล้วความริษยาก็รุมเร้าดวงจิตเมื่อคิดไปว่าคนที่ตนเห็นเป็นเด็กเมื่อวานซืนนั้นแท้จริงแล้วกลับสูงทรงกว่าเลยรู้สึกเหมือนตัวเองกลายเป็นคนต่ำต้อยด้อยค่าหน้าอดสูนะักผมเห็นจะต้องขอตัวรู้สึกปวดหัวหนึบหนึบสงสัยจะอาพาธผมไปละพูดจบก็กราบประลกประลกสามครั้งแล้วลุกออกไปพระหนุ่มมองตามจนอีกฝ่ายเดินหายไปในความมืด จึงลุกจากอัศนะตั้งใจจะขึ้นไปชั้นบนก็พอดีสามเณรเดินเข้ามาคุกนั่งคุกเข่าแล้วกราบสามครั้งแนะนำตัวเองว่ากระผมสามเณรเฉลียวครับต้องขออภัยที่มิได้ไปต้อนรับท่านสมภารกระผมเห็นลวงตาท่านไม่ไปก็เลยไม่กลา้าประเดี๋ยวจะมาหาว่ากระผมทำเกินหน้าเกินตาท่านสมภารอย่าได้ถือโทษโกรธเคืองกระผมเลยนะครับเอาละฉันไม่ถือโทษหรอก แต่ว่าเธอจะต้องมาช่วยงานฉันเวลามีแขกไปใครมาก็ต้องคอยต้อนรับแล้วช่วยดูแลทำความสะอาดกุฏิชั้นล่างให้ด้วยส่วนชั้นบนฉันจะทำเองครับกระผมเคยรับใช้ท่านสมภารองกรและตั้งใจว่าจะรับใช้สมภารองใหม่ด้วยกระผมขอถือโอกาสฝากเนื้อฝากตัวรับกระผมไม่เป็นลูกศิษย์ด้วยนะครับตกลงเมื่อเป็นลูกศิษย์ฉันแล้วเธอต้องเรียนกรรมาฐานนะ เคยเรียนมาบ้างหรื อ, อยังเรียนอะไรครับกรรมฐานนะสิเคยได้ยินชื่อสติปัฐานสี่บ้างไหมไม่เคยครับเป็นอย่างไรครับถามอย่างสนใจเบวชกี่พรรษาแล้วพระหนุ่มเปลี่ยนเรื่องถามท่านไม่รู้สึกแปลกใจที่สมมามเณรเฉลีย่ยไม่รู้จักกรรมฐานโดยเฉพาะสติปัฐานสี่ท่านเองเมื่อบวชใหม่ๆก็ไม่รู้เพราะอุปชาท่านไม่ได้สอนสามพรรษาครับ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 เธออย่าคิดสั้นๆอย่างนั้นสิคิดให้ยาวๆหน่อยถ้าเธอมาบวชเพื่อหวังความสุขสบายแล้วเราก็เธอจะไม่เห็นสัจธรรมถ้ามนุษย์เห็นแก่ความสุขสบายเหมือนกันไปเสียหมดพระพุทธศาสนาก็จะไม่อุบัติขึ้นมาในโลกการที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชแสดงว่าความสุขสบายไม่ได้เป็นจุดหมายของชีวิตแต่มีสิ่งอื่นที่มีค่ากว่านั่นคือความสงบแห่งจิตดังมีพุทธพจน์รับรองว่า นัตถิสันติประรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจุดหมายของการบวชก็คือความสงบแห่งจิตจิตจะสงบได้ต่อเมื่อกิเลสตัณหาถูกกำลายให้สิ้นไปวิธีที่จะให้กิเลสตัณหาถูกกำลายไปโดยสิ้นเชิงนั้นต้องเจริญกรรมฐานถ้าเช่นนั้นผมขอเรียนคืนนี้เลยได้ไหมครับได้สิฉันจะให้การบ้านเลยคืนนี้เวลานอนให้เธอเอามือวางไว้ที่ท้อง สังเกตอาการพองขึ้นและยุบลงของท้องตอนหายใจเมื่อท้องพองให้กำหนดในใจว่าพองหนอเมื่อยุบก็กำหนดว่ายุบหนอนอนกำหนดไปอย่างนี้จนกว่าจะหลับพพยายามจับให้ได้ว่าหลับไปตอนพองหรือตอนยุบสามเณรเฉลียวฟังพร ะ, ะเจริญพูดดังนั้นก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆจึงถามขึ้นว่าแล้วทำอย่างไรอีกครับ พอรู้ว่าหลับไปตอนยุกหรือตอนพองแล้วจะได้อะไรไปทําให้ได้ตามที่บอกเสก่อนแล้วเธอจะรู้ด้วยตัวเธอเองว่าได้อะไรท่านสมพาน์บอกก่อนไม่ได้หรือครับผมจะได้ปฏิบัติรวดเดียวไปเลยไม่ต้องมาคอยถามให้ท่านสมพานธ์รำคาญใจเอาเธอะน่าฉันไม่รําคาญหรอกไว้เธอไปปฏิบัติให้ได้เสก่อนแล้วค่อยมาถามว่าต่อไปจะทําอย่างไรถ้าเกิดผมอยากรู้ตอนท่านสมพานธ์จำวัดไปแล้วล่ะครับ เธอก็ปลุกได้แต่ฉันคิดว่าคงไม่นอนก่อนเธอหรอกปกติเธอนอนกี่ทุ่มท่านถามสามเณรหนุ่ ม, ม, นนมประมาณสามทุ่มครับแล้วท่านสมภารล่ะครับตีสองตีสองเชียวหรือครับแล้วตื่นกี่โมงครับตีสีนอนสองชั่วโมงเท่านั้นเองหรือครับแล้วตอนกลางวันท่านต้องนอนชดเชยอีกหรือเปล่าฉันไม่เคยนอนกลางวันโยมยายฝึกฉันมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กฝึกไม่ให้นอนกลางวัน ท่านสอนไว้ว่านอนนานงานน้อยกินบ่อยเงินหมดมีเงินหน้าสดหมดเงินหน้าแห้งแรงน้ำใจฉันก็จาเอามาใช้แมโยมยายของท่านสมพานสอนดีจังนะครับท่านสมพานก็เป็นคนดีด้วยเพราะบางครั้งถึงคนสอนจะดีเพียงใดหากคนถูกสอนไม่เอาเรื่องก็คงดีไม่ได้ดีได้สิเธอเคยได้ยินที่คนโบราณเขาพูดว่าต้นคดปลายตรงไมล่ะ เคยครับคนที่ไม่ดีมาก่อนแล้วภายหลังกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้คนประเภทนี้ยังดีกว่าพวกต้นตรงปลายคดนะครับแน่นอนและฉันก็กำลังจะบอกเธอว่าฉันเองก็เป็นประเภทต้นคดปลายตรงสมัยเป็นเด็กฉันเกเรเกตรงมากโยมยายเคียนจะไม่รู้จะเคียนยังไงในที่สุดก็เลยเลิกบางเอินตอนนั้นฉันชินกับไม่เรียวยายเสียแล้ววันไหนไม่ถูกทาโทษฉันก็จะทวง ทวงอะไรครับสา ม, มเณรเฉลียวไม่เข้าใจทวงให้ยายเขียนน่ะสิพระเจริญตอบรู้สึกสบายอกสบายใจเมื่อได้พูดถึงโยมยายที่ท่านรักและเทิดทูนแล้วท่านเขียนไหมครับตอนหลังท่านคงระอาเลยเลิกเขียนไปเฉยๆฉันก็ร้อนๆหนาวๆอยู่หลายวันกว่าจะชินกับการไม่ได้ริมรถไม่เรียวของโยมยายยังแปลกใจตัวเองมาจนทุกวันนี้ ท่านพูดยิ้มยิ้มเห็นสมภารเป็นกันเองเช่นนั้นสามเณรเฉลียวก็หายกังวลและกล้าถามในสิ่งที่ตนอยากรู้ท่านสมภาร น, นอนวันละสองชั่วโมงมาตั้งแต่เด็กเลยหรือครับเปล่าใครจะทำอย่างนั้นได้ละ่ะฉันเพียงแต่บอกเธอว่าฉันไม่เคยนอนกลางวันตั้งแต่เป็นเด็กเพราะถูกโยมยายฝึกมาอย่างนี้แต่การนอนวันละสองชั่วโมงนั้นฉันฝึกมาตั้งแต่ตอนเรียนกรรมฐานที่วัดมหาธาตุ หมายความว่าคนที่เรียนกรรมาฐานต้องนอนคืนละสองชั่วโมงเท่านั้นใช่ไหมครับสามเณรวัย18นึกทอ้อท่านจำวัดวันละ8ดชั่วโมงกระนั้นก็ยังแอบงีบในตอนกลางวันอีกหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเป็นอย่างน้อยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกตอนฉันไปเรียนใหม่ๆก็นอนวันละหชั่วโมงแต่เมื่อทำอย่างนั้นการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าฉันเลยอธิษฐานจิตขอปฏิบัติขั้นอุกฤษซึ่งต้องถือคติ กินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทําความเพียรมากแล้วเรา ย, ยึดถือเป็นข้อปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้พระหนุ่มเล่าความหลังแต่ผมคงทําอย่างนั้นไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องนอนผมเรียนตามตรงว่าผมมีโลภะในการนอนคืนนอนเวลาสองชั่วโมงผมคงตายเสียก่อนไม่ตายหรอกฉันยังไม่ตายเลยการทําความดีนั้นยากแต่ก็ยากเฉพาะตอนเริ่มต้นเท่านั้น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 แล้วอย่างผมจะฝึกนานแค่ไหนครับถึงจะเคยอันนี้ต้องถามตัวเธอเองจะถามคนอื่นไม่ได้เพราะไม่มีใครที่รู้จักเราดีถ้าตัวเราเองจริงไหมจริงครับแต่ผมก็อยากทราบเคล็ดลับว่าทำอย่างไรถึงจะฝึกได้เร็วท่านสมพานมีเคล็ดลับอะไรครับคงไม่ต้องเรียกว่าเคล็ดลับเพราะเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ทรง ส, งสอนไว้เธอเคยได้ยินไหมพุทธวจนะที่ว่า วิริยณะทุกขมัดเจติบุคคลร่วงทุกได้ด้วยความเพียรเคล็ดลับก็คือต้องใช้ความเพียรพยายามใช่ไหมครับสมเณรหนุ่มยังติดใจกับคำว่าเคล็ดลับเอาเธอเอาเธอเธอจะเรียกว่าเป็นเคล็ดลับก็ได้แต่สำหรับชั้นนั้นมันไม่ใช่เพราะเป็นเรื่องที่ใครๆก็ทำได้หากมีใจมุ่งมั่นเงียบกันไปพักหนึ่งสมเณรก็ถามขึ้นว่าท่านสมพาน์ครับนารีผลมีจริงไหมครับ ถ้ามีผมจะไปดูได้ที่ไหนเธอหมายถึงต้นไม้ที่ออกผลเป็นหญิงสาวนะหรือครับผมอยากรู้ว่ามีอยู่ที่ไหนอยู่ที่ป่าหิมพาณนนทนแน่เธอเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อช้างวัดตึกราชาหรือเปล่าสามเณรวัย8ถูกถามไม่เคยครับผมรู้จักวัดตึกราชาแต่ไม่รู้จักหลวงพ่อช้างท่านสมภารรู้จักหรือครับไม่รู้จักหรอก เราะท่านมรณภาพตั้งแต่ฉันยังไม่เกิดโยมยายของฉันเป็นลูกศิษย์ท่านท่านเคยไปป่าหิมะพานแล้วมาเล่าให้โยมยายฟังว่าท่านไปพบปักกะลีผลซึ่งก็คือนารีผลที่เธอว่ามานี่แหละแสดงว่านารีผลมีจริงอย่างนั้นหรือครับเรื่องอย่างนี้มันพูดยากเพราะมันเป็นประสบการณ์เฉพาะของบุคคลใดบุคคลหนึ่งคนที่ยังไม่มีประสบการณ์เช่นนี้เขาอาจจะไม่เชื่อฉันเองก็ต้องการพิสูจน์อยู่เหมือนกัน คิดว่าวันหนึ่งจะต้องพิสูจน์ให้ได้เอาละนี่ก็ดึกพอสมควรแล้วฉันจะต้องทำอะไรอีกหลายอย่างว่าแต่ว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปบินทบาทอยากให้เธอไปด้วยเพราะฉันยังไม่รู้เส้นทางครับผมจะมาที่กุติแต่เช้าผมบินทบาททางเรือครับสมภารองกรท่านมีเรืออยู่ลำหนึ่งเวลาออกบินทบาทผมเป็นคนพายให้ท่านเมื่อท่านมรณภาพผมก็เลยออกบินทบาทแต่ผู้เดียว แลวหลวงตาสองรูปนั่นล่ะท่านก็มีเรือของท่านครับต่างคนต่างออกบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้วันไหนได้ก็อิ่มวันไหนไม่ได้ก็ต้องอดฉันน้ํารูปท้องไปตามประสาแต่ผมว่าก็ยังดีกว่าทํานาแหละครับดีกว่ามากพูดจบก็กราบสมภารสามครั้งแล้วจึงเดินกลับบุติซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยา จเจริญใช้เวลาถึงสามเดือนจึงสามารถปราบทิฐิพระได้รู้ว่าหลวงตาอ้อนชอบฉันชาตรากระต่ายและน้ำตาลตโนดท่านก็พยายามหาไปฝากอย่างสม่าเสมอชาตรากระต่ายนั้นกระป๋องหนึ่งตั้ง20บาทแพงกว่ายี่ห้ออื่นๆเกือบสิบเท่าตัวแต่ท่านก็อุตส่าห์ไปหามาถวายจนได้ตัวท่านเองฉันชาราคาถูกๆทว่าซื้อถวายหลวงตาอ้อนในราคาที่แพงริบริว้ว เมื่อได้ของถูกใจหลวงตาอ้อนค่อยคลายทิฐิลงยิ่งเมื่อรู้ว่าสมพานธ์หนุ่มฉันชาราคาถูกกว่าที่ซื้อถวายท่านอาคติที่มีต่อพระหนุ่มก็มาลายไปสิน้นหลวงตาวัยเจสิเศษจึงยอมเป็นมิตรกับสมพานธ์หนุ่มด้วยประการละชนี้ส่วนหลวงตาเฟื่องนั้นเล่าสามวันแรกที่สมพัน์องค์ใหม่มาอยู่วัดท่านไม่กล้ากลับบ้านไปหาลูกหลานเหมือนเช่นเคย พอดีกับยังไม่ถึงเวลาที่มามง่งมาปรางและน้อยนาออกผลถึงไปก็ไม่มีอะไรไปฝากลูกหลานจึงงดเสียครั้นถึงวันที่สี่ก็ทนต่อไปไม่ไหวฉันเพนเสร็จจึงต้องไปคิดว่าถึงไม่มีอะไรฝากก็ยังได้ไปเห็นหน้าลูกหลานให้ชื่นบานในหัวใจเมื่อกลับมาวัดสมพานองคใหม่ก็มีได้ว่าอะไรให้ระคายเคืองวันที่ห้าท่านจึงไปอีกแล้วก็เลยไปทุกวันเช่นที่เคยปฏิบัติมา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 เจ้าคนที่น่าเหี้ยมเกลียมตะคองั้นอาตมาจะกลับละตามสบายนะโยมนะแล้วท่านก็รีบเดินกลับกุฏิรุ่งขึ้นอีกวันท่านก็ซื้อน้ำแข็งใส่น้ำหวานไปเลี้ยงพวกเขาบอกว่าโยมเล่นกันเหนื่อยเหนือยพักทานน้ำแข็งให้สบายใจก่อนนะพวกเขาก็พากันขินน้ำแข็งใส่น้ำหวานที่ท่านใส่กระติกมาให้และท่านก็เพียรซื้อไปให้พวกเขากินทุกวัน